ธาตุขันธ์จะอยู่ไม่ได้นานนะแต่ว่าความเป็นกัลยาณมิตรนะจะอยู่กับพวกเราตลอดไปหลวงพ่อก็ยังอยู่กับเรานะาการได้ฟังธรรมก็ทำให้มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นระยะระยะ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 เป็นถ้อยคำหรือข้อความที่เราได้ยินจากท่านน่อยู่บ่อยและถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะพบว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นจะไม่ได้พูดทานองนี้จะไม่มีสันนนแบบนี้เนี่ยหรือไม่ค่อยมีสันนแบบนี้เนี่ยจากปากของครูบาอาจารย์ท่านอื่นเลยเพราะนั้นพูดได้ว่าสันนแบบนี้หรือข้อความแบบนี้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์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 แต่หลวงพ่อท่านพูดอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าไม่ต้องกําจัดหรอกนะเพียงแค่ดูให้ดีๆนะในความทุกข์ก็จะมีความไม่ทุกข์นะในความกลัวก็จะมีความไม่โกรธในความหลงก็จะมีความไม่หลงเราปฏิบัติธรรมจานวนมากก็มองไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกันกําจัดต้องทําลาย ซึ่งก็นำไปสู่การกดขนะ่มเวลามีความโกรธมีความาความโุนก็พยายามกดข่มมันเอาไว้ซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์นะในสำหรับคนที่ต้องการทำความดีนะเราต้องการทำความดีเราต้องการรักษาศีลเวลามันมีความโกรธความโลภความหลงก็ต้องกดข่มมันเอาไว้เช่นอยากจะทำร้ายใครอยากจะด่าใครอยากจะขโมยของใคร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 เวลาเราโกรธแทนที่เราจะกดข่มมันเราลองดูความโกรธนะเราก็จะเห็นว่าขณะที่จิตกำลังร้อนเนี่ยร้อนรนเราจะเห็นไฟที่มันเผาใจให้ร้อนไฟนั่นคืออะไรคือความโกรธเดี๋ยวเราเรามีความอยากแล้วเราร้อนอยากจะได้เนี่ย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 อาสมือเราเห็นสายแห่ความทุกข์ไม่ว่าทุกนั้นจะชื่อร้อนรุ่มโกรธหรือว่าหนักอกหนักใจเราก็จะเห็นเราก็จะพบว่าสายแห่งความไม่ทุกขนั้นคืออะไรมันบอกในตัวเพราะฉะนั้นในอริยสัจสีเนี่ยเวลาท่านพูดว่าทุกมีทุกแล้วก็มีสมุทยัยคือสายแห่งทุกแล้วก็นิลอดคือ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 นั่นเนอ่างลิสัสสีเราจะพบว่าพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้พูดถึงสายแห่งความไม่ทุกข์หรือสายแห่ง น, นิโรธแต่พูดถึงวิธีการที่จะทําให้สายแห่ง น, น, นิโรธนั้นเกิดขึ้นได้เจ้าคือระยะ ม, มังยองแปดนั่นที่หลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอว่าในทุกเนี่ยมันมีความไม่ทุกเนี่ยมันมีความสําคัญมากมันเป็นการเชื้อเชิญให้เรามองมองความทุกข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 มันทิ่มตัวมันทิ่มมืออันนั้นเรียกว่าคนโง่คนฉลาคือว่าต้องเฉาะนะผ่านทะลวงเปลือกที่มันหนาและคมเราก็จะได้เมล็ดนะได้เม็ดที่อร่อยนะในทุกนั้มันมีธรรมที่ซ่อนอยู่เหมือนกับเมล็ดที่มันซ่อนอยู่ใน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 หรือว่าข้าวดิบเราก็เปลี่ยนให้กลายเป็นข้าวสุกถ้าเราทิ้งข้าวดิบไปก็อดกินข้าวสุกแต่ว่าจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนข้าวดียวกลายเป็นข้าวสุกได้ <c oughs> มันก็ต้องใสศความร้อนนะหรือพูดให้มันตัวอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนนะคือเปลี่ยนขยายกลายเป็นดอกไม้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 น, นั้นก็สัญลักษณ์ยินอย่างนะหยินหยางเนี่ยคือว่ามันมีดำกับขาวอยู่ด้วยกันนะก็มันก็ทุกข์กับความไม่ทุกข์อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แคนนั้นนะสิ่งที่ดูมันตรงข้ามอยู่ด้วยกันพระเจา้าตรัสว่าความตายอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวความมีโรคอยู่ในความไม่มีโรค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 สำมวนเล่านี่มันไม่ใช่เป็นแค่สำนวนหรือพูดให้ดูรู้แต่มันมีในยาาสำหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความเพื่อความพ้นทุกนะัน้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะปฏิบัติผิดพลาดได้แต่ถ้าเราเข้าใจมันจะช่วยทำให้เรามีการปฏิบัติอย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้นอ๋อแล้วชาติก็เพิ่กับท่านนี้ขอบคุณพร